بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ل حول ولا قوة إلا بالله العلي ن ا ي ب أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเจริญเจ้าอ a سبحانه وتعالى ประสบกับพี่น้องผู้สัตห์ขอทักทายนะครับพี่น้องที่ติดตามรายการเสียงอิสลามนะวิญญาเสียงอิสลามนะครับทุกๆท่านเลยนะครับที่จะติดตามในผ่านช่องทางต่างๆนะที่ทางทีมงาน ของวิทยุอิสนาได้ได้จัดขึ้นนะครับก็าฝากด้วยนะฮะว่าพี่น้องที่ติดตามอยู่นะครับอย่าพลาดโอกาสต่างๆนี่คือการศึกษาและการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน เ, เขาเรียกวิทยุอิสลามนะครับผ่านเทคโนโลยีที่วันนี้ยุคของเรานี้นั้นเป็นยุคที่ใช้เทคโนโลยีในการที่จะนําพาเรื่องราวของศาสนาสู่สังคมและพี่น้องทุกๆทัานนะครับ ครับพี่น้องครับกลับมาพบกันนะครับในช่วงของการศึกษาอัลกุรอานนะฮะใช้คำนี้เพื่อให้รู้ว่า เ, เราจะได้นำอัลกุรอานที่หลายคนเข้าใจว่ามันคงไม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเรามันคง ม, มันมันคงเราคงอยู่กันคนละคนละสี่การปฏิบัติเพราะอันนี้คืออะไรในยุค ข, ของสฮาบะอันนี้ยินในยุค ข, ของท่านนบีของประวัติศาสตร์ไม่เลยครับ ผมเน้นย้ำเสมอพี่น้องครับว่ากุรอานนั่นคือธรรมนูญลกุรอานนั่นคือทางรอดและคือทางนำของมวลมนุษยชาตินั่นหมายความว่าเราไม่ใช่เพียงแค่รู้แต่ความหมายเราไม่ใช่เพียงแค่ท่องจาหรืออ่านได้แต่เราพยายามพัฒนาการศึกษาอัลกุรอานไปเป็นทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปนะได้แค่ไหนไม่เป็นไรพี่น้องครับไม่ต้องตกใจและไม่ต้องรีบ จนกระทั่งเรานั้นเลิกลาแล้วก็ท้อแท้ในการศึกษาอัลกุรอานจึงใช้คําว่าการศึกษาอัลกุรอานร่วมกันเรามาศึกษาร่วมกันวันนี้ได้นิดหนึ่งพรุ่ง น, นี้ได้อีกหน่อยก็ไม่เป็นไพรพี่น้องครับแต่อย่าละทิ้งการศึกษาอัลกุรอานถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นในเรื่องของการท่องจําครั้งนี้เป็นเรื่องของการอ่านฝึกอ่านนะครับครั้งนี้เป็นเรื่องของการรู้ความหมายและครั้งนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจในบริบทว่า อ่านสอนและชี้นําอะไรให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับครพี่น้องครับกลับมานะครับวันนี้เราขึ้นต้นสุรษใหม่นะครับเป็นสุรษอังกบุษนะครับก็แน่นอนนะครับในตอนที่แล้วนะครับก็ในเรื่องของสุรษโรมที่ลักษลาได้อลักุภานหัวตาลานะครับได้ได้ให้กําลังใจท่านนบีสุลลัลฮุอัลเลฮิวะสลามบอกให้ท่านนบีนะได้รู้ถึงพฤติกรรมการกระทําของผู้ที่ปฏิเสธนะครับและแน่นอนก็เป็นตัวอย่างให้กับเราทุกๆคนนะครับว่า การทํางานศาสนามันต้องเจออะไรนะและอายะสุดท้ายของซูลุลรูมนะครับก็ได้บอกให้พวกเราทั้งหลายได้บอกว่าฟาสบิดจงอดทนบอกกับท่านนะบีนะฮะแต่ความหมายคือให้พวกเราทั้งหลายว่าเมื่องานศาสนาเกิดขึ้นเมืเ่อการเผยแพร่เกิดขึ้นเมื่อเรื่องราวของศาสนาถูกนําเสนอจากคนใดก็แล้วแต่จากมุสลิมท่านใดก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่มันเกิดมันจะเกิดขึ้นก็คือการต่อต้านการขัดขวางการไม่ยอมรับ การกะแนกกัแนนะครับการนำข้อเปรียบเทียบมาเพื่อจะด้ยค่าของการทำงานศาสนาสิ่งสำคัญนั่นก็คือเราต้องอดทนและอย่าอย่าได้นำคำต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นรู้สึกกังวลใจรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าใช่เหมือนที่เขาพูดเลย อย่านะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ที่คุรานได้บอกกับพวกเรทั้งหลายนะครับวันนี้ขึ้นต้นสุราใหม่นะครับสุราอันกะบุตนะครับบิสมิลลาฮิราะห์มานุรฮิมอัลิฟลามีนนะครับก็ขึ้นต้นด้วยอัลิฟลามีนเป็นฮูรุฟหมุกดตตานนะฮะเป็นฮรุฟเป็นอักษรที่ไม่มีไม่มีใครรู้เรื่องของความหมายที่แท้จริงนอกจากอัลลอสุบฮานหูวตาลนะครับสุรานี้นะครับ ที่เราเรียกว่าสุราใหญ่เมมุมเนี่ยฮะมันเป็นตัวอย่างมันเป็นอะไรที่บอกในเรื่องของอความอย่าลังเลนะครับอย่าหล่ะและนะฮะแล้วก็อย่าอย่าสิ้นหวังเมื่อเราเข้าใจเรายืนหยัดในเรื่องของหลักการในเรื่องของอีมาแล้วเนี่ยครับต้องมั่นคงนะฮะต้องมั่นคงอย่าสเปะสปะอย่าวันนี้มั่นคงเพราะอยู่กับคนที่มั่นใจวันหนึ่งอะไรรมันเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มลนเลนะครับอย่า นะหรือว่า إيمان มันต้องอยู่ที่หัวใจแล้วตอบมันไปทีละนิดทีละนิดให้มั่นคงอยู่ในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตของเรานะครับต่อมานะครับอายะห์ถัดไปตรงนี้ชัดเจนนะครับที่บอกว่าอะฮะซิบันน่าซูอายุตระกูนะครับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยประชาชาิทุกๆคนในทุกยุคนะนะนะทุกยุคหมายถึงตั้งแต่ท่านอับดุบลสาลามหรือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอย่าได้คิดหรือพวกเขาทั้งหลายนะ เอจะถูกทอดทิ้งมาถึงถูกกําเนิดให้สร้างขึ้นมากําเนิดขึ้นมานะครับแล้วให้เขาเพียงแค่กล่าวว่าอายุต่ออายะ ก, กูลุอามมนนาะนะ่ะปล่อยให้เขาบกกล่าวของว่าฉันศรัทธาแล้วให้กล่าวว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วฉันศรัทธาต่อบรรดารอซูนทั้งหลายแล้วแค่นี้เท่านั้นอยากคิดนะ่ะอยากเข้าใจอย่างนี้หรือพวกเขาจะเข้าใจอย่างนี้ อันนี้พี่น้องครับถึงแม้ว่าสุร้อนนี้ขึ้นต้นเพื่อให้เราได้เป็นคำถามไม่ใช่ต้องการคำตอบนะเป็นคำถามเพื่อให้คิดนะว่ามนุษย์ประชาชาติคิดดอกหรือว่าพวกเขาจะถูกทอดทิ้งพวกเขาจะถูกปล่อยให้อะไรกล่าวควาว่าฉันศรัทธาแล้วนะและทำไมครับวะฮุมลาุูตานูนและพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบ จะไม่ถูกเขาเรียกว่าบททดสอบต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะฮะการใช้ชีวิตการดํารงชีวิตการงานนะฮะแล้วก็ชีวิตการสูญเสียในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องขอ ง, อ ง, ของอปัจจัยนะในเรื่องของธุรกิจคิดเหรอครับคิดหรือว่าเมื่อบอกว่าศรัทธาแล้วจะไม่ถูกทดสอบข้อนี้สําคัญนะพี่น้อง คุณอ่านบอกอย่างนี้แล้วเนี่ยนะมันทําให้เรานั้นต้องมั่นใจมากขึ้นมั่นใจยังไงล่ะครับวันนี้ไม่ยกเว้นนะอย่าบอกว่าคนนี้เป็นอาจารย์คนนี้เรียนมาคนนี้สอนศาสนาคนนี้ทํางานศาสนาคงไม่ถูกทดสอบไม่เลยครับตรงกันข้ามโดนหนักกว่าคนอื่นเห็นไหมดังนั้นอย่าได้คิดหรือใครจะคิดว่าฉันศรัทธาแล้วฉันก็นามาดรนะฉันก็ถือศีลอดนะฉันก็ทําทุกอย่างที่ ที่รู้ในเรื่องของาศาสนาแล้วทำมาอย่างต่อเนื่องทําไมถูกทดสอบขนาดนี้ทําไมต้องแบบนี้ทําไมต้องอย่างนั้นพี่น้องครับบททดสอบที่เกิดขึ้น <ắng. S 2> ไม่ว่าเราจะนมารหรือไม่บททดสอบก็มาไม่ว่าเราจะเป็นมุสลิมหรือไม่บททดสอบก็มาดังนั้นบททดสอบไม่ได้มาเพราะเราไม่อิบะดาไม่ได้มาเพราะเราอิบะดาไม่ได้มาเพราะเราศรัทธาหรือไม่ได้มาเพราะเราไม่ศรัทธาเปล่า มนุษย์อัลลอฮ์ใช้คําว่าอันนัสแปลว่ามนุษยชาติทุกคนเลยถูกทดสอบหมดแต่การถูกทดสอบของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเพื่อให้เราได้อดทนและมี إ ي م านที่มั่นคงขึ้นแตกต่างนะแต่ถ้าหากว่าไม่ศรัทธาถูกทดสอบก็จะตีโพยตีพายอ้างนูน่นว่าเพราะคนนั้นซวยเพราะคนนี้ทําให้เราเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะไปหมดเลยนี่คือข้อแตกต่าง นะครับดังนั้นการทดสอบจะทำให้บ่าวคนหนึ่งเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์การทดสอบมันจะเกิดขึ้นด้วยเราจะได้น้อมรับและยอมรับและเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าถ่อมตนเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเราไม่ได้มีความสามารถทุกอย่างเราไม่ได้อัจฉริยะเราไม่ได้เป็นผู้ที่เหนือใครต่อใครมาเลยเราเป็นบ่าวที่ต่ำต้อยณอัลลอฮ์สุภานอหัวตาลาดังนั้นบททดสอบ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเราต้องใช้วิธีการก็คืออดทนอดทนและอดทนฟันฝ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเพื่อหวังในความเมตตาและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาพระองค์ได้ถึงพระองค์ได้บอกว่านะครับว่าให้ไม่ได้ปล่อยให้เขากล่าวว่าศรัทธาแล้วจบนะวาฮุมลายุสตานูนหรือพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบกันนั่นหรืนี่คือคําถามในอายะแรกที่เกิดขึ้นเพื่อให้รู้ว่าไม่ว่าท่านเป็นใคร พี่น้องลองดูนะครับว่าถ้าเราศึกษาเรื่องของศาสนานะครับใช้คาว่าเบื้องต้นแล้วกันที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์ของบรรดารอซูลทั้งหลายรอซูลตั้งแต่นบีอดาดามานีสัลลัมจนถึงท่านนาบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมรอซูลทุกท่านถูกตรวจสอบ ห, หรือบรรดารอซูลไม่ได้ไม่ได้นามาสหรือบรรดารอซูลไม่ได้เปล่าเลยอิบะดาปฏิบัติตามคําสั่งใช้อย่างเคร่งครัด ะะไม่มีคําว่ายกเว้นหรือสงสัยใดๆทั้งสิน้นบรรดาเราซู้ก็ถูกทดสอบเห็นไหมฮะถูกทดสอบแล้วเราแหละครับเราแค่นามาถ้าเวลาเราคิดว่าเราไม่ควรจะถูกทดสอบกันนั้นหรือและถูกทดสอบมันไม่ใช่หมายความว่าเราเลือกบททดสอบเปล่าบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์บททดสอบที่มาเพื่อที่จะมาวัดอ إ ي م านของเราบททดสอบมาเพื่อที่จะรู้ว่าเราศรัทธาเรามั่นคง เรามั่นใจต่อล้อสุภาในะหัวตะลามากน้อยเพียงใดตรงนี้ต่างหากแหละครับที่บททดสอบที่เกิดขึ้นนะในชีวิตของมนุษยชาติทั้งหลายนะเพื่อทำให้เรานั้นจะได้รู้และสนักเข้าใจในบริบทของการเป็นบ่าวถ้าวันนี้บททดสอบมาแล้วเรายังคงดื้อดึงเราคงยังไม่เข้าใจเราคงยังคิดว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องฉันทาไมต้องฉันนะนั่นหมายความว่าอีมานการศรัทธา นะครับการเชื่อมั่นในอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลายังมีจุดอ่อนยังมีจุดอ่อนนะครับไม่ใช่ล้มเลิกนะยังมีจุดอ่อนทํำยังไงนะครับปิดจุดอ่อนเหล่านั้นเพื่ออีหม่านที่มั่นคงปิดจุดอ่อนเหล่านั้นเพื่อความเข้าใจและสัจธรรมโดยใช้อะไรมาปิดลนะครับน่ยความตายเหรอไม่ใช่นะครับอะไรมาปิดจุดหัวเหล่านั้น อสบรุความอดทนเอาความอดทนมาปิดช่องโหว่และจะอดทนถึงไหนที่คำถามมักจะมีเกิดขึ้นจะจะจะจะอดทนถึงเมื่อไรมันมันสุดจะทนแล้วพี่น้องครับความอดทนที่อัลลอฮ์ให้กับทุกๆคนนั้นมีครับมีที่จะอดทนกับอุปสรรคและบททดสอบทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะอัลลอ์สุภาอัลตาลาจะไม่จะไม่นะครับ บังคับหรือทที่มันเกินความสามารถของแต่ละคนเพียงแค่เราอาจจะยังไม่รู้ความ่าความอดทนของเราเนี่ยนะครับมีแค่ไหนเราจึงต้องอดทนนะอดทนและอะไรที่จะมาทำให้ความอดทนเข้มแข็งขึ้นอิสติกฟารการขออภัยโทษขอลุกกรทษการขอดูอาการขาลักกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงและอิบาดะทาให้มากขึ้นกว่าเดิม นี่แหละครับมันจะทำให้คาว่าที่อดทนบอกว่าสุดจะอดทนเนี่ยมันจะค่อยๆมันจะไม่มีที่สิ้นสุดของคำว่าอดทนจนกว่าเราจะผ่านวิกฤตผ่านบททดสอบอย่างสมบูรณ์แบบไปได้นะครับและแน่นอนครับนั่นหมายความว่าอีมา ن ที่เข้มแข็งนั่นหมายความว่าความการที่เรามั่นใจในอัลลอฮ์มากขึ้นและเมื่อบททดสอบอันที่สองอันถัดไปมาถึง มันก็จะเป็นประมาณนี้และเราก็ใช้สูตรเดิมวิธีการเดิ ม, เดมๆเพื่อให้อิมานเรามั่นคงและมันก็จะผ่านบททดสอบต่างๆเหล่านี้ไปได้นะครับดังนั้นพี่น้องครับอย่าตกใจกับบททดสอบที่เกิดขึ้นมันอาจจะดูหนักมันอาจจะรุรนแรงมันอาจจะดูว่าเหมือนกับอดทนไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นกับนายกนขอมองว่าหนักแต่สําหรับนายกเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยมันเหมาะสม ในขณะที่บททดสอบที่เกิดขึ้นกับนายขอนายกรมักจะบอกว่าเรื่องเล็กๆแต่สําหรับเขามันหนักมันมันรู้สึกมันมีความอะไรที่มีความท้าทายและต้องใช้ความอดทนที่ระดับหนึ่งสําหรับเขาคําว่าอดทนที่สูงมันมันวัดกันไม่ได้ว่าแค่ไหนถึงสูงแค่ไหนถึงมากแค่มันอยู่ที่แต่ละบุคคลที่เรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่าทุกทุกท่านที่กล่าวคําว่าฉันศรัทธาต่อโลกนะครับ ต้องพร้อมน้อมรับในบททดสอบที่จะเกิดขึ้นและแน่นอนเราต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่ผ่านไม่อดทนบททดสอบนี้มันยังไงมันก็ต้องผ่านนะครับแต่เราจะผ่านไปแบบพนที่ขาดทุนดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือใช้การอดทนอดกลั้นนะครับอิสติกฟาตขอดูอาตอลอสุบฮานอหูอตาลานะครับและก็พยายามกลับตัวกลับใจทบทวนตัวเองและลงมือการปฏิบัติอามัให้มากขึ้นนะครับ เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นข้อผิดพลาดที่หรือมันเป็นสิ่งที่พระองค์เตือนพวกเราทั้งหลายให้รู้ว่าอะไรที่เราควรจะต้องทำนะครับต่อมานะครับในอายะทัตไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาได้บอกว่าวะลกาดฟัตันนัลละดีนามิงกอบลิฮิมโอ้โหอันนี้ถ้าพูดอย่างนี้เรามานี่นมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าบททดสอบมีระดับร้อยนะฟังอายะนี้เป็นครึ่งอายะเท่านั้นนะครับจากร้อยลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยพี่น้องครับ ครึ่งหนึ่งเลยครับเราเรียกว่ากําลังใจเราเรียกว่าสิ่งที่กุฎอ่านผ่อนคลายให้กับมนุษย์ให้กับผู้ที่เข้าใจได้รู้ว่าบททดสอบมันจะหนักขนาดไหนแล้วแต่ที่เรามองนะที่เรามองนะครับและที่เราเข้าใจที่ประสบกับเราอายะกุฎอ่านอายะที่ได้บอกว่าวาลกัดฟัตันนัลละดีนามิงกอบลิห์มแท้จริงเรามาถึงอัลลอฮฺสลาได้บอกอัลลอฮฺสุบฮานาหูอัตาลาได้บอกว่าแท้จริงเราได้ทดสอบ ผู้หรือบุคคลประชาชาติก่อนหนะ้าพวกเขาแล้วแปลว่าอะไรครับเราไม่ใช่เป็นคนแรกพี่น้องครับเราไม่ใช่เป็นคนแรกและไม่ใช่เป็นคนเดียวที่ถูกทดสอบหนักขนาดนี้ไม่เลยนะอย่าคิดและอย่าเข้าใจว่าเราเป็นคนแรกที่ถูกทดสอบแบบนี้เราเป็นคนแรกที่ถูกทดสอบหนักขนาดนี้แบบนี้ไม่นะเซามิทที่เกิดขึ้นไม่ใช่เไม่ใช่เพิ่งเกิดในยุคเรานะ มันเกิดมาเยอะแล้วแต่เรารู้หรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึง่งถูกไหมฮะง่ายๆเนี่ยนะครับดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราอั ah, ลลอฮฺสุภาน์นหูวาตาลาบอกไว้แล้วครับว่าบททดสอบพระองค์ได้ทดสอบใครผู้ซึ่งที่มาก่อนหน้าพวกเขาทั้งหลายประชาชาติก่อนหน้าเรายุคก่อนหน้าเรานะถูกมาหมดแล้ววันนี้เราอยู่ยุคเออนะะย้อนกลับไปไม่ต้องไกลครับ นะไม่ต้องไกลนะความหมายคืออะไรครับปะมจเรายุคปะมจเราโตแชร์เราเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคแบบไหนครับยังใช้ไอทุยไถนาอยู่เนี่ยยุคนี้ถูกไหมฮะ บ, บททดสอบเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นเกิดขึ้นครับมายุคเราล่ะครับก็บททดสอบเกิดขึ้นแต่บททดสอบในยุคนี้เป็นบททดสอบแบบเออยุค a ออที่เขาเรียกแต่ถามว่า เราหนักกว่าทุกยุคท right? mm ุกสมัยไหมไม่เกิดขึ้นเฉพาะยุคเราไหมไม่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ร AH ูปแบบรูปแบบและขั้นตอนมันอาจจะแตกต่างไวอันนั้นก็แต่ละยุคแต่ละสมัยไปนะครับต่อมาครับในอายะฮ์เดียวกันอัลลอฮุบ ب า ا ن ه และ ت ع ได้บอกว่า فلا يعلمون الله الذي ن ص ر ด ا กูนะตรงนี้พี่น้องครับเพื่อที่จะได้ แยกแยะให้รู้อย่างชัดเจนว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายที่สักด์จริงเนี่ยใครที่ศักจะใครที่เคเล็ศรัทธาอย่างหัวใจที่แท้จริงเนี่ยจะได้รู้กันไปเลยนะครับบททดสอบเกิดขึ้นเห็นไหมบททดสอบเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้แยกแยะให้มันชัดเจนว่าใครคือผู้ศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้ที่ลิ้น พูดใครก็พูดได้ครับว่าศรัท ธ, ธาพูดใครก็พูดได้ว่าฉันดีแล้วแต่เมื่อบททดสอบมาศรัท ธ, ธามันจะเกิดตรงไหนจะรู้เลยใครเป็นผู้ศรัท ธ, ธาที่แท้จริงจะรู้เลยใครเป็นผู้ที่จะอดทนที่แท้จริงใครจะเป็นผู้ที่ยอมรับที่แท้จริงฟะเลยะลมันนัลลอฮฺอลเลดีนัสซดะกูวะเลยะลมันนัลกาดีบินและใครเป็นผู้ที่ก้าวเท็จก้าวเท็ดแปลว่าอะไร พูดว่าใช่พูดว่าทำพูดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ยอมรับศรัทธาบ่ดชัดเจนตอนไม่เกิดอะไรขึ้นเราพูดได้ครับว่าเรามั่นใจในอัลลอฮ์เราพูดได้ครับว่าเรารักเราพูดได้ว่าเราทำงานศาสนาเราพูดได้ว่าเราทำนู่ทนทานี่พูดได้หมดเลยครับแต่วันใดครั้งใดเมื่อใดที่บททดสอบเกิดขึ้นนะในความ เ, เขาเรียกว่ามากหนักก็แตกต่างกันออกไปนะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทาไมครับ จะได้แยกแยะและชัดเจนว่าใครใครเป็นผู้ที่สัจจริงและใครเป็นผู้ที่โกหกนะฮเวลาบททดสอบมาที่บอกว่าเคยอดทนไปไงครับมันไม่ไหวกล่าวต่างๆนาน า, นานาพูดเรื่องเราเต็มที่แบบเรียกกันว่าไม่มีร่องรอ ย, อยคำว่าเคยอดทนแล้วก็เป็นผู้ที่บอกว่าอดทนมาก่อนเลยและสุดท้ายเราก็จะแก้ตัวเองว่ามันเหลืออดมันอดทนไม่ไหวมันนู่นมันนี่เห็นไหมฮะมันก็จะเกิดคําพูดเหล่านี้เพื่อมาปิดเมื่อปิด แล้วก็มาลบคำว่าไม่จริงหรือคำว่าเท็จอ่าดังนั้นพี่น้องครับอายะนี้บอกกับพวกเราทั้งหลายนะฮะต้นอายะให้กำลังใจแล้วท้ายอายะเพื่อแยกแยะให้ชัดเจนเราเมื่อศึกษาอัลกุรอานแล้วนะครับ ชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อไปแต่จะเดินอย่างไรต่างหากตรงนี้เราต้องพยายามที่จะกลับมาศึกษาเรียนรู้กุษคานบอกอะไรกับเราให้กำลังใจ อ, อะไรกับเราชี้ทางนำอะไรให้กับเราตรงนี้ต่างหากนะครับว่าเราต้องศึกษาและเมื่อเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นย้อนกลับมาในอายะครานให้เราทำอะไรบอกให้เราทำอะไรนะครับเราก็ปฏิบัติในสิ่งนั้นด้วยหลักการด้วยการท้าเรียกว่า ทางนำหรือธรรมนูนที่เขียนว่าที่บอกไว้ในอัลกุรอานนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่ากุรอานคือความสำคัญของชีวิตผู้ศรัทธาทุกๆคนนะครับครับพี่น้องครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปเลยนะครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته